สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคำกฎข้อที่13นะครับก็คือกฎแห่งความสมดุลความสมดุลในวันนี้เป็นคู่ระหว่างความยำเกรงพระเจ้ากับความปิติยินดี พ, นพระเจ้าในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมสะดุดดีบทที่2ข้อ11ครับ พระธรรมสะดุดดีบทที่สองข้อสิโปรดฟังพระนะของพระเจ้าจงปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงและจงกะเกษมเปรมปรีจนเนื้อเต้นจงปรนิบัติพระเจ้าด้วยความยำเกรงและจงกะเกษมเปรมปรีจนเนื้อเต้นพี่น้องครับผมอยากจะให้พวกเราได้ฟังภาษาอังกฤษนะครับซึ่ง เป็นฉบับ a m p l i f y Bible a m p l i f y Bible นั้นได้ถือว่าเป็นพัมภำพ์ที่ดีโวอร์ชั่นหนึ่งครับเพราะเนื่องจากว่า a m p l i f y นั้นแปลว่ามีการขยายนะครับแล้วก็ a m p l i f y Bible นี้เป็นเป็นพัมภำพีที่นักเทศมักจะใช้ในการที่จะค้นควา้าศัพท์และความหมายเบื้องต้น a m p l i f y Bible ครับได้เขียนว่าอย่างนี้ครับบอกว่า worship the Lord and serve Him with reverence rejoice with trembling worship the Lord and serve Him with reverence rejoice with trembling คำว่า reverence ก็แปลว่าความยำเกรงพระเจ้าความเคารพนับถือภาษาอังกฤษแปลว่า with awe ก็คือความรู้สึกว่าเกรงกลัว Inspired fear ก็คือความรู้สึกกลัวซึ่งได้รับการดนใจและ submissive wonder ก็คือภาวะความยอมจำนนยอมจำนนต่อความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือคำแปลของคำว่า reverence ห reverence หรือ reverence Re นั่นแปลว่ายำเกรง จึงทาให้เกิดคาว่า reverend reverend เแปลว่ า, าศาสนาจารย์หรือผู้ที่เราควรจะให้ความนับถือเช่นเดียวกันครับพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เราต้องยำเกรงเราจะต้องเคารพนับถือพระองค์ท่านเราจะต้อง serve ก็คือปนิบัติด้วยความยำเกรงด้วยความเคารพและด้วยการยอมจํานนความเกรงกลัวพระเจ้านี่แหละครับ เป็นเหตุที่ทำให้ชีวิตของคนของพระเจ้านั้นจะต้องใส่ใจในความบริสุทธิ์ใส่ใจในเรื่องราวต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ธรรมบัญญัติของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าและพระมหาบัญชาของพระเจ้าเราต้องรับใช้พระองค์ด้วยท่าทีแห่งความเกรงกลัวยำเกรงให้ความเคารพ แต่แง่หนึ่งครับในการรับใช้พระเจ้าเราเองนั้นจะต้องมี rejoice ก็คือความชื่นชมยินดีหรือความเปรมปเีหรือความปิติยินดีที่ท่านศาสนาจารย์ดอรฟิลิปเทงนั้นได้กล่าวไว้นะครับบอกว่าพระเจ้าต้องการให้เราปรับให้พอดีกันปรับให้สมดุลกันระหว่างความยำเกรงพระเจ้าและความปิติยินดีไม่ใช่ให้เราแต่ยำเกรงพระเจ้า อย่างเดียวแต่ให้เราเปรมปรีปิตยินดีในการรับใช้พระเจ้าเช่นเดียวกันครับเรามาดูครับว่าผลของพระวิญญาณ9ก้าอย่างอันดับแรกคือความรักอันที่สองคือความปลอบปลื้มใจนั่นแหละครับคือ joy joy หรือ rejoice นะครับก็คือความเปรมปรีความปิตยินดีนั่นเอง rejoice ก็มีความหมายว่าจงชื่นชมยินดีหรือจงปิติยินดีนั่นเป็นคำสั่งครับเวลารับใช้พระเจ้านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความชื่นชมยินดีความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ความปราบปลื้มใจท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทย์บอกว่าเราจึงรู้ว่าความปราบปลื้มใจสาคัญมากแม้ว่าเราจะไม่สามารถเรียงลาดับหน้าหลัง ในเรื่องผลของพุ่ยยานเก้าอย่างว่าหน้าอยู่อะไรที่อยู่หน้านั้นสำคัญอะไรที่อยู่หลังนั้นไม่สำคัญไม่สามารถเรียงลาดับความสำคัญอย่างนี้ได้แต่ว่าความเปลม่ยปรีนั้นเป็นอย่างที่สองและติดตามหลังความรักแบบนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญครับแต่กับแสดงให้เห็นว่าเรื่องของความเ ป, มปรี่ยปรีรีมีความสาคัญมีความสาคัญและมีคุณค่ามากยิ่งนัก เราเขนว่าเมื่อพระเยซูนั้นทรงประกอบด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์พระองค์ทรงเปรมปรีทรงมีความยินดีปรีดาปราโมทมีความปิติยินดีบันทึกอยู่ในพระธรรมลู ก, กาบ ท, ที่10ข้อ2ี่ครับแล้วพระองค์ก็สรรเสริญขอบพระคุณพระบิดาและเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสวมทับพระองค์สิ่งที่ปรากฏออกมาก็คือความชื่นชมยินดีและเป็นปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นและประสบการณ์ของคนหลายๆคนเรามาดูเพราะว่าจะน่าพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับโรมบทที่14ข้อที่17โรมบทที่14ข้อครับความว่าเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดฟังอีกครั้งครับ เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคมภีข้อนี้นะครับกล่าวถึงพื้นฐานสำคัญในแผ่นดินของพระเจ้ามีลักษณะพิเศษอยู่3อย่างครับพื้นฐานที่สุดเลยของแผ่นดินพระเจ้ามีลักษณะพิเศษอยู่3าอย่างคือหนึ่งความชอบธรรมสองคือสันติสุข และ3คือความชื่นชมยินดีพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าความชื่นชมยินดีนั้นมีความสำคัญและมีคุณค่ามากยิ่งนักท่านศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทง น, นั้นเขียนต่อไปว่าบางคนกลัวขึ้นสวรรค์เพราะอะไรเพราะคนในเครสะจักรมีแต่หน้ายาวๆเคร่งเครียดไม่ยิ้มแย้มทักทายปราศัยกันหากบนแผน่นดินสวรรค์มีคนชนิดนี้คนก็ตกใจกลัวไม่อยากไปครับ พี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่พูดกันเล่นๆแท้จริงแล้วคนที่อยู่บนสวรรค์นั้นก็มีความชื่นชมยินดีมากครับขอบคุณพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์นั้นมีแต่ความชื่นชมยินดีไม่ได้เป็นเหมือนที่ท่านาศาสตราจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นก็ยกตัวอย่างแบบประชดประชันนะครับบนแผ่นดินสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยความยุติธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีครับอาเมนครับพี่น้องครับ เพราะว่าแผ่นดินพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งความชื่นชมยินดีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงชื่นชมยินดีเมื่อมีคนรับรับเชื่อในพระเจ้าเมื่อมีคนบังเกิดใหม่เมื่อมีคนต้อนรับพระเยซูพระเจ้าทรงยุติธรรมและโระองทรงกอบด้วยความรักมั่นคงความชื่นชมยินดีนั้นมีเต็มล้น อยู่ในความรักของพระเจ้าอยู่ในการรับใช้พระเจ้าอยู่ในการปนิบัติพระองค์พี่น้องขับหลายครั้งทีเดียวเราเองนั้นไม่มีความสมดุลเราเองก็อาจจะคิดว่าการรับใช้พระเจ้านั้นมีแต่ความทุกข์ยากลำบากมีความทนทุกข์แต่เมื่อเราได้รับการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์การรับใช้พระเจ้านั้นจึงเป็นเรื่องที่เรียกว่าเนื้อเต้นครับการนำพิการพระเจ้านั้นก็เนื้อเต้น ก็คือเรามีความชื่นชมยินดีปรีดาปราโมทและปีติสุขนั่นแหละครับคืออีกด้านหนึ่งของความที่เรียกว่าสมดุลกับความยำเกรงพระเจ้าให้เราหันมาตรวจสอบชีวิตของเราในการนมัสการพระเจ้าในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเราขาดคำว่า rejoice หรือขาดคำว่า joy ครับ จอยตรงนี้เป็นเรื่องของการที่เราสามารถจะมีความชื่นชมยินดีได้มีความปิติสุขได้มีความยินดีปรีดาปราโมทได้แม้ว่าจะอยู่ในความยากลําบากพี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวความยากลําบากทําให้เราซึมเศร้าแต่ พ, พระเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นอย่างนั้ น, พ, นพระเจ้าบอกว่ า, วาความทุกข์ยากลําบากนั้น ข้างในนั้นมีความชื่นชมินดีในความทุกข์ยากลำบากจงชื่นชมินดีเถิดเพราะว่าพระเยซูทรงชนะโลกแล้วในที่สุดนั้นเราก็จะชนะพร้อมๆ ก, กับที่พระเยซูได้ทรงชนะเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะได้เห็นความจริงและความมหศัศจรรย์จากพระเจชนะของพระเจ้าและความจริง การมาสัจจร์นี้จะเกิดขึ้นกับชีวิตที่เรามีพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ประทับอยู่ในชีวิตพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นั้นจะนำมาซึ่งความชื่นชมดีพระผลของพระวิญ ญ, ญาณก็คือความรักและความปรับปลื้มใจพี่น้องครับความปรับปลื้มใจนี่แหละครับ joy joy หรือ rejoice ขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีความชื่นชมินดีให้เราปรับใจของเราโดย พึ่งในพระวิญญาณบริสุทธิ์ปรับใจของเราพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะรับใช้พระเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ด้วยความชื่นชมยินดีครับด้วยความปราบลื่มใจอาเมน